ันอ่ากำักันไม่มีอะไรพวกเราไม่ได้ไปรับจ้างไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำลายมีอาชีพมีห้าที่ในการศึกษาปฏิบัติตื่นขึ้นมาให้ได้ยินแต่คำสอนอันที่มันถูกต้องอันที่มันผิด แล้วน้อไปปฏิบัติให้มันได้บางทีเราก็ฟังคำสอนพร้อมกัรสวดสายายพระสูตรชัดเจนเหลือเกินในการศึกษาในคำสอนมีทุกสาขาในโลกนี้แต่เรียนอะไรก็ใช้ได้ แม้แต่เรียนสิ่งไม่ดีก็ใช่ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งไม่ดีให้เราได้เรียนตามพ่อก่อตามครูเอาไว้ครูของเราพ่อของเราบอกผิดบอกถูกไว้แล้ว <c oughs> ไม่มีการผิดพลาดขาดตกบกพร่องบ้านผู้หลดของเราที่สั่งสอนมา อย่าสงสัยเลยไอมีศรัทธาต่อความผิดนดเว้่นให้ได้มีศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกทำลงไปให้ได้จนสุดความสามารถสุดฝีมือของเรา พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมโอรูยิ่งใหญ่ศันษาสดาเอกในโลกยอดเยี่ยมมากพวกเรามาอยู่ที่นี่มีมีชีวิตยอยู่ร่วมกันไม่ใช่เรามาเทือนเ น, นป่าป่าเทือนเือนที่นี่ก็เป็นสถาบัน ที่ถ้าถ่ายพิสูจน์กลมเท็จกามจริงดูให้ได้รู้ให้ได้ยินให้ได้ฟังในเรื่องที่ดีอยู่ตลอดจถาถ่ายขยายพิสูตรตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วลูก ความเกิดเป็นทุกข์ความเ่็บเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพัดพาจากของลอกของชอบใจก็เป็นทุกข์ปาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความพับแค้นจอยกก็เป็นทุกข์ เป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เกือบจะร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นคนในโลกถ้าเราทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้ถือว่าเราดื้อไม่เชื่อฟังบรงมโคู่สิ่งใดไม่สิ่งใดเป็นทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปทำตามเยียงนั้นปฏิบัติให้ได้ความเกิดเป็นทุกข์ เกิดอะไรเกิดลักเป็นทุกข์เกิดเกลียดชังก็เป็นทุกข์เกิดชิเลสก็เป็นทุกข์เกิดความโลภความหลงก็เป็นทุกข์เห็นไหมมีบ้างไหมเคยทุกข์เพราะความรักมีหมายเคยทุกข์เพราะความชังมีหมาย มีกันทุกคนไม่ต้องไปถามคนอื่นถามตัวเราแล้วเราจะยังทุกต่อไปเพราะการเกิดแบบนี้หรือมันเกิดอะไรอยู่ไอ้แต่รูปมันก็เกิดร้ดนเกิดหนาวเกิดหิวเกิดปวดเกิดเมื่อยเออรูปมันไม่ใช่ตัวตนพระเจ้าก็สอนแล้วจะไปถูเอา อาการที่เกิดขึ้นกับรูปนี้ว่าเป็นเราได้ยังไงมันจะลากไปหลอกป่อกแวงไปเป็นทุกข์กัความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเม้ยความเจ่มันมีซ่อนอยู่ในนี้ถ้าเห็นอันเดียวก็ลื้อถอนได้หมดเนี่ย yeah. มันไม่มีที่ไหนพุทธเจ้าสอนได้หมดแล้วกกท่วนแต่เลาะในเบื้องต้นแผ่เลาะท่ามกลางแผ่เลาะในที่สุดตุกก์กว้งแผ่ร้อยทั้งร้อยยังไม่แ่ก็ตัวแล้วกววางแก่แล้วความแผ่ เ, เ, เป็นเราหรือ อะไรมันแก่ถ้าเราเป็นคนแก่ถ้าเราเป็นคนหนุ่มอย่างนั้นเหลอจะเป็นทุกข์อีกแหละซ่อนเข้าไปอีกดับเบิ้ลทุกข์เข้าไปอีกไม่อยากให้แก่อยากให้หนุม่มอันนี้ก็ไม่แต่ความคิดเป็นความคิดนะ เันความคิดไปใช้ความคิดไปใช้บังคับให้มันหนุ่มไปใช้บังคับให้มันไม่แก่มันเป็นไปไม่ได้จะไปเสียเวลากับความคิดแบบนี้กังวลเรื่องนี้ทำไมความเก็บก็เหมือนกันความเก็บเนี่ยเป็นเราหรือถ้ามันเจ็บเป็นเราหรือเห็นมันเจ็บมาได้หรือหรือเป็นผู้เจ็บมันมี จับไม่วางมีกรร ม, มีวางมียึดมีปล่อยวางอยูเอาความเก็บมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นน่ะไม่ไหมเพราเราทีนั่งอยู่เนี้ยเก็บเราเป็นไงเป็นทุกดูแลมันไหมเห็นความเก็บไม่เห็นมันชัดเจนไหม ว่ารู้แล้วเธอเจ็บเจ็บตรงนั้นแล้วก็ต่อไปไหนละ่ะมันเจ็บอยู่ตรงนั้นแล้วต่อไปอีกเท่าไหร่ให้มันเจ็บแต่เพราะตรงนั่นเห็นมันอยู่ดูมันอยู่ว่าเราเนื่องข้าวหงข้าวดูหม้อข้าวอยู่ดูหม้อแจงอยู่ให้มันสำเร็จเพราะ แกงเพราะหงเพราะต้มอย่าให้มันเป็นอื่นไปมันก็ใช่ได้ความเจ็บนี่แหละมันก็ใช่ได้ถ้ารู้ให้ดีอาจจะได้บรรลุธรรมได้เช่นกันมีหลายลูกหลอยชีวิตบรรลุธรรมเพราะความเผิดเจ็เจ็บตายมีหลายชีวิต เป็นทุกข์เป็นโทษกันเกิดแก่เจ็บตายนี่พระเจ้าบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไม่เชื่อยังจะดื้อไปถึงไหนเป็นทุกขค์ความเจ็บความเจ็บความตายกันอยู่เป็นความผิดของใครเรื่องน้าอย่าไปโทษคนอื่นเวลาทุกข์ก็ไปโทษอะไรมากมาย มันผิดหรือมันถูกเหตุมันอยู่ที่ไหนความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องอะไรก็เกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แล้มันรู้ไหมว่ามันเป็นทุกข์ยังไปเอาวันอยู่หรอือทุกข์พวกความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ค, ค, ความตายเช่นนั้นเหรอไม่รู้หรอือไม่รู้ยังไงแล้วก็สอนก่นแล้วสอนกันเดก ว่าพร้อมกันตรวจพร้อมความสาธยายพร้อมกันได้ยินกันทุกคนแล้วชิงเหล่านี้มาอยู่ที่ไหนแล้มเกิดเจ็บเจ็บตามอยู่ที่ไหนไปโทษอะไรงาเห็นมันรับผิดชอบวางมันปล่อยมันเห็นมั น, ม น, มนเซะแล้วก็เรื่องไม่มีอะไรไม่มีเรื่องอะไรมากมายมันก็ มันก็แล้วไปแล้วความเกิดก็แล้วไปแล้วความแก่ก็แล้วไปแล้วความเจ็บก็แล้วไปแล้วความตายก็เห็นมันแล้วไปแล้วมันมีปัญหาอะไรอีกของที่เห็นไปแล้วทําแล้วมันก็แล้วเป็นเหมือนเราทํางานทําการแล้วก็แล้วเป็นอ่า อันนี้เกิดการก็ถิ e แล้วกันแล้วไปแล้วสุดวันเท่านี้ไม่มีอีกแล้วในปีนี้ปีนหน้านนลัเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปักดานาเสร็จแล้วสร้างบ้านแล้อยู่แล้วหุงข้าวจิ้นอิ่มแล้วอันแล้วจให้เป็นการบ้านไปอีก ม <c oughs> ันเป็นความฉลาดหรือคมโง่ของขครมันแล้วความเกิดก็รู้แล้วว่าแน่นอนแล้วมันเกิดจากนี้เกิดหลงก้อนนี้เห็นแล้วเกิดที่ใดก็เหมือนกันเกิดตุกเกิดโกเกิด ก, กิเลสตัณหาลาคาเห็นแล้วจังเป็นการบ้านยังรับใช้มันไปทําไม อย่โกกชัดเหลือเกินคำสั่งคำสอนคำสั่งก็ม่อย่างนี้มันผิดคำสั่งก็ม่อย่างนี้มันถูกให้ให้อย่าให้ทำอย่าทำความผิดให้ทําความถูกสัง่งคำสั่งง่าย ไม่ได no ้ไม่ได้เก่าไม่ได้แก่ไปกับอะไรยังแม่นอยู่ชัดเจนอยู่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วนี่คือของจริงเห็นของจริงเห็นทุกเห็นความดับทุกเห็นความพ้นทุกพ้นได้แล้วจริง ให้ใครบอกจะถามใครแล้วก็อย่างนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วมันทุกข์มีบ้างไหมนั่งอยู่นี่มันทุกข์ไหมนัม้นก็ไม่มีอะไรความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันมีต่เมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นเหตุนี่มันมีอยู่ ไม่ให้เราได้เรียนรู้ชำนิชนานาญเป็นศินละปะวิทยาการศึกษาดีแล้วเอตมังคารมตมังเป็นมังคลวิหนที่ศึกษาดีแล้วและเบียบผิดพาดอะไรลู้แล้วเนี่ยเห็นแล้วนันพอเนื้อพอตัวไปไหนก็พร้อมแล้วริงเหล่านี้มันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เรา ทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันเรื่องอยู่ที่กายอันวงองซศกยาวาหนหาเคลื่อนเด็กอันมีสัญญาจิตใจรั่วเลยได้สิ่งที่ไม่ถูกก็เปลี่ยนให้มันถูกได้สิ่งที่มันไม่ถูกก็ไม่ทนทำให้มันอีกต่อไปนี่มาก็แล้วไปแล้วสิ <c oughs> ่งที่ทําแล้วนะมันไม่รู้ว่าทามา กินข้าวอิ่มแล้วไปถามใครหิวข้าวไปถามใครกินข้าวอิม่มใครเป็นคนกินใครเป็นคนอิม่มหิวข้าวใครเป็นคนหิวไปให้ทะเลาะให้มันลูกลามไปทางไหนถ้าไม่มีข้าวจะงก็จินด้ามาหรปล่าหายจินปากไม้ผลไม้ก็ได้เคยหิวข้าว ไม่มีข้าวกินกินรากไม้กินหัวไม้กินผลมไม้กินน้าก้องกินเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีหารากไม้มากินรากกอกกันเคยกินไหมให้เพียน์รากกอกัน่เด <c oughs> ี๋ยวนี้มีต้นเดียวหลวงพ่อยี้เขิ ตัดทิ้งไปกอกันไปปลูกต้นไม้น้อยตัดต้นไม้ใหญ่ทิ้งน่าศึกสอนเลยนี่แล้วไม้ใหญ่ตัดทิ้งไปปลูกต้นไม้น้อยอ่างี้ก็กอกันถอนขึ้นมาเอาลากกาหอนปอกเกินหวานจ้อยเลยหม้อข้าวแป้งถอนขึ้นมากิน ลากเพกเครกินไหมลากเพลกไโรคเอ็นสลายก้นเพกเง่าเขาถอนขึ้นมาลากเขาเขาปอกเย็นหวานอิม่มกินหญ้าแฝกอา้าวลงไปเหมือนหวมันคั้วยถอนขึ้นมาเอาเอาหลมที่มันกำลังอ่อนปอกปอกปอกปอกิกนมันก็เรากินอยู่ขั้วหวาน กินหญ้าาแฟกแลญ้าแฝกเอาข้าแป้งหมูค้อนก่อนลากเพล็ ก, กอกกันที่มันอยู่ในตทนไม้ในดินหาชินได้อิ่มเป็นเด็กเรื่องกลัวเรื่องกลัวหนูข้าหาชินจนได้กินเต็มต่างก้นคกท้องแลก ใบมากก็กินได้เอาใบเอาใบอ่าเอาใบใส่ตันเอาใบใส่ตันใบมะละกโอเอาอะไรอแล้วะไรมารวมกันเอา ห, อหอ่อๆกันกินอ่ากลายเป็นอาหารเลยมันไปเลย รสาดรดฝผื่อนร ด, ดอะไรมาบวกกันเขา้ากินลงไปบางทีหมากไม้บางเพศมันจิมไม่ได้ต้นโกผัดผาดใบมะละกอเผื่อนเผืนใบใช่ทันโขมนิดหน่อยจะหาเกลือตามเถียงหนามาหอกิน อ่ามันก็จังยาชัยได้เนี่ยเราเหิววก็จินได้ทุกความเหิวว่วไม่ต้องทุกข์อะไรก็มาเป็นทุกข์เลยมันโง่แล้ว <c oughs> ปาถ้าจิงใดไม่ได้ชึ่นนั่นใครเป็นคนปาถนาความดื้อของเราอย่างสุขสนไปหา เรื่องนะเหราหาหัวหาเหาใส้หัวตัวเองเพื่อจะได้เก่าเพื่อจะได้ให้มันมีปัญหาหาเหาใส้หัวตัวเองบางคนอยากได้เหาขอเหาจากคนไม่เหามาปล่อยหัวมันเป็นไงมันคันยังไงมาใส่เหาใช้หัวตัวเองภาษาเชิงได้ไม่ได้เชิงนั้นดื้อซุกสน อ๋อเรื่องหาเราทําให้ตัวเองเป็นการบ้านมีปัญหาตาช้าอะไรอยากได้อะไรมันอยู่ที่การกระทําของเราไม่ต้องไปมาถึงใจทําลงไปจากประลุทาก็ทําทลงไปไม่ใช่อ้อนวอนมีสติลงไปเวลามันไม่มีสติเปลี่ยนให้มีสติลงไปเมื่อใดวันไหน ได้ทุกโอกาสความดีไม่เกี่ยวกับวันอือดอยู่กับการกระทำความผิดไม่อยู่กับอื่นอยู่กับการกระทำการกระทำาเรายกรรมมันเกิดจากกรรมศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมอย่าไปทำกรรมอันที่มันไม่ดีให้ทำกรรมอันที่ทมันดีเนี่ย ได้มันได้รูปได้กายได้รูปได้นามมาเนี่ยมันพร้อมที่สุดเลยลิงพวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันยิ่งอุ่นอ ก, กุลใจเสมอกันเียวว่าสามัญลักษณะอย่าเอาเพศรักบวชอยาเอาเพศแม่ชีอย่าเอาเพศครวญ ย, า, า, า, า, ยาจมรูปร่างวันนะ อายุมากกำหนดเอากรรมเนี่ยไปกำหนดอย่าเอาความร้ายความดีความชั่วความเร็วมากำหนดลราไม่กิเลสตัณหาราคะมากทำไม่ได้อย่าเอาเรื่องนั้นมากำหนดลิขิตชีวิตของตนเองมันเกิดจากการกระทำจะมีนิสัยยางไง สบิดแบบไหนถ้ามามีกรรมมีสติอย <c oughs> ให้มันคิดอะไรที่เป็นเรื่องนอกกายนอกใจให้เป็นการกระทาลงไปโดยเฉพาะกรรมาฐานเนี่ยยอดเยี่ยมมากเปลียนให้มันรู้เป็นหลักเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเอาไว้ปักหลักเอาไว้ก่อน ปักหลักตั้งหลักตั้งฐานไปก่อนเพื่อจะประกอบกานงานอาชีพให้มันได้หลักนี่ก่อนมีสติลงไปตัดสิยู่ที่ไหนใครบอกใครให้เราไม่มีใครบอกใ ค, ใครใครเมให้แให้เราแล้วก็ประกอบขึ้นมาเองเราพร้อมทุกคนณนะหายใจก็รู้ได้ <c oughs> เือน้ำลายก็รู้ได้กับพริบตาก็รู้ได้บางคนก็ะดิกหูโผลรู้ได้จานกลางพลนะเอากระดิกหูเป็นความรู้ที่รกก็เคลื่อนไม่ได้หลอกหูทว่าทำไปทะบาก็ดิกๆได้หูอใส่เคลื่อนไหวไม่ได้เดินไม่ได้มือก็ยกไม่ได้ วิปตาก็ได้กื้นน้ำลายก็ได้หอ้ใจก็ได้นี่ยออบด้านเลยงอรดกของเราเอามาผิดความรู้ได้เรือเราเนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติจริงๆมีความรู้มีความหลงเพื่อให้เราได้พัฒนาตรงนี้เวลาได้มันหลงนั่นหรือว่าโอกาสจะได้ ศึกษาลรื่งนี้เวียนหลงเป็นรูปได้เอาประโยชน์จากมันเอาหลงเป็นรูปเอผิดเป็นรูปโอาทุกข์เป็นรูปไปเดี <c oughs> ย๋ยวฟังเสียงอะไรอีกก็เป็นรูปทุกข์ก็เป็น <c oughs> รูปไปรูปเนี่ยรวมรูปศึกตัวเป็นเครื่องทุนง่นแรงช่วยแรงช่วยไม่ต้องเป้าเหตุเอาผล หัดให้มันหลักหัดให้มันติดหัดให้มันชำนาญเรื่องนี้เอาไว้ถ้าเห็นความรู้เป็นหลักเราเห็นความทุกข์ยิ้มยิ้มเห็นความโกรธความโลภความห ล, ลงเห็นชิเลตัญหาลาคะโทสะโมหะยิ้มยิ้มนะให้เห็นมันนะ <c oughs> เหมือนคนที่เห็นได้ศึกษาดีแล้วได้เห็นแล้ว จะได้เกี่ยวข้องกับมันอย่างดีอย่าเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ให้เอากรรมเนี่ยเป็นเกณฑ์วัดไปวัดไปเปลี่ยนได้ทุกทีเวลามันหลงรู้ดได้ทุกโอกาสเวลาไหนก็ได้ความหลงมันเกิดขึ้นเวลาไหนก็รู้ได้ทุกโอกาสจะหลงแบบไหนได้ทั้งนั้น ตอมลูกอันเดียวฉเฉลยได้ทั้งนั้นคนแจดอกเดียวเปิดได้ทั้งนั้นเอกริงๆิเอกริงๆิถ้าเป็นทางก็ทางเอกกิงๆิง้ง ต, ตั้งต้นจากนี้ไปได้จุดหมายายทางถึงที่หมายทางเอกชีวิตของเราจบทางเช่นนี้ถ้าไม่ใช่ เดินอยู่บนนี้ไม่จบไม่ขิ้นเวียนว่ายตายเกิดโกรธแล้วโกรธอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกหลงแล้วหลงอีกเดียนบนอยู่ในนี่บางทีมันหลงซ่อนเข้าไปอีกมัลหลงมากๆอ่ะกลายเป็นเดินไปจากเป็นมนุษย์เป็นคนกลายเป็นสัตว์ฉานกลายเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นันะลุก ไปเลยทีเดียวควมหลงก็ไปไกลความรู้นี่เขาไปไกลแต่ไปคนละทางถ้าหลงก็อบายภูมิเป็นที่หมายถ้ารู้ก็สุกติเป็นที่หมายนั่นกิตเตสังกฤตเถ ท, ทุ ก, กติปะติกังขาเมื่อหลงทุ ก, กติเป็นที่ไป จเตสังกัดสังกัิเตสุกะติปฏิกรรมขาสังกัิเขสุขผิดไม่จําไม่ได้เออไปไม่ได้เจตนานะครับคือบาดีเนมันก็บาลีโคกโคกมันจําเอามาแล้วเราศึกษาท่องแท้ อิเสังกลิเทสุกติปฏิกังขาเมื่อไม่หลงสุกติเป็นที่หวังได้ไม่ใช่ปาถนาเนีเป็นการกระทําสุกติทุกติเป็นการกระทําเปลี่ยนหลงเป็นรู่เนี่ยมันทำอยู่ตรงนี้ไปอ้อนวอนอะไรเหิดหลงเป็นรูไปจากจิตที่ตรงไหน สักดิ์มัน ก, น ก, นกนารกระทำเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้ศักดิ์สิสทธิ์แล้วมีฤทธิ์แล้วมีปฏิหารแล้วติมความผิดให้เป็นความถูกได้เนี่ยฤทธิ์มันอยู่ตรงนี้แล้วติมความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้เนี่ยเรียกว่าฤทธิ์สำเร็จจริงจริงเอาไว้หลังเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะ สุขติทุขติมันตั้งต้นจากความรู้ความหลงแน่ถ้ามาเหยียบตรงนี้ก้าวแรกมันก็ไปไปได้ไม่ต้องไป อ, อ่อนอื่นนอย เ, เกณฑ์เขียวัดเอาการกระทาพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ไ้ยินไหมจำไว้ไม่ใช่ความเพดของใครสาธยายก็สาธยาย ยังบอกเอาไปเ อ, เอามาเรื่องเกา่าเรียกว่าเรียกว่าบรรยายถ้าจะพูดถึงภาษาก็ว่ า, า, า, ธธาคาถาอัตค า, าถาดอกบรรยายเบรกคาถา อัตตาถาอนุติคาถาอิติพุตตะไปอีกเช่นปไตยปิโดคาถาเป็นคาถาล้วนๆอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพโทโววิชาจนะจัมปโนพุทธคุณเก้าสมกุล ก็ไม่ได้อัธธาอัฏฐาถาอัฏฐิบายอัฏฐเปวะอัิบายฤกษ์เงอรหังอัฏาอัฏฐาคาังสมัาพระพุณเจา้าเป็นพระอรหัน ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เช่นเชิงตัดสโลชอบได้โดยพระองค์เองงันเราไม่ต้องไปเรียนมารีบรรพบหลุดของเรา <c oughs> ได้อธิบายออกมาไม่เป็นเรื่องของเราที่ทำได้แต่บางคนบางที่เขาไม่แปลมันจะไม่ขัง ถ้าแปาไม่ขงให้มันเป็นขาถาร่วนๆเอาอะไรเอาขังอะไรจักจิดอะไรขังศักจิตคือเอาได้ประโยชน์กินข้าวมันต้องอีมด้านหน้าต้องสะอาดแตงพันต้องสะอาดประโยชน์จากแตงพันคือมันสะอาด ประโยชน์จากการอาบน้าคือมันสะอาดประโยชน์จากการซักผ้าคือมันสะอาดมันได้ประโยชน์มันทุกข์มันได้ประโยชน์พ้นทุกข์พวกมันทุกข์พ้นหลงเพราะมันหลงประโยชน์บางคนก็ไม่เอาประโยชน์จากตรงนี้มันทุกข์แล้วก็ทุกข์มันหลงก็เอาหลงมันต่างกันกับการกระทํา เป็นความผิดของใครจะโทษใครบางทีไม่มีศรัทธาต่อคำสอนไปเชื่อความเหลวไหลง้องง่หลงงมงายดับเบิลหล ง, งก็บปีกอกดีไม่เอาง่ายเหมือนกับ คนเห็นกองขี้หมาเอาใบไม้ไปปลูกไว้เพื่อมันไม่ลังเกียจเห็นคนนั่งเอาใบไม้ไปปลูกคนที่เห็นเอาเข้อใบไม้ไปปลูกก็เอาไปเอาใบไม้ไปปลูกด้วยกับเขากลายเป็นของหมู่ชาวขี้หมาไป เขาไปปลอกเพื่อไม่ให้หลังเกียดแต่คนทำตามไปอดอกไม้เอาต้นไม้ไปปลอกไปเพื่อบูชาค่อยดีเหมือนกันนะล้วไปนบกองขี้หมาไปไ่ว้กองขี้หมาสิ่งที่มันง่ายง่ายให้มันยาวไปกลายเป็นของบูชาไปเลยบูชาใคร โบชาจะโปชนียดังเอตัมมังคารมวตมังโบชาคนควรโบชาใครบอกผิดใครขี้โทษคนที่สอนเราคนแรกคือใครใครเป็นคููคนแรกพ่อแม่เป็นคู่คนแรกโบชาคนที่ควรโบชานอกจากพ่อแม่ครูวาอาจารย์ตาพติเจ้า บูชาอันที่เชีเมาอย่าไปเหยียบมันบูชากองเชีเมาคืออย่าไปใกล้ความชั่วบูชากองเชีไก่อย่าไปใกล้ buried. มันไม่ใช่ไปเขาลบเขารบคือไม่ไม่ไปใกล้ไม่ไปเหยียบมันเขาลบไม่ใช่ไปกราบ ว, ว่าแล้ากราบ ว, ว่า้ง้อไปเองอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้ความชั่ว จะไปพูดจะไปคิดกี่ว่าเคารพเราเคารพกองชั่วไหมาบางคนบางคิดไม่เคารพเลยถ้ามันโกรธจะเนี้ยให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามมนข้ามคืนไม่เคารพความโกรธไปบูชาวความโกรธกูได้โกรธตายก็ไม่ลืมเคารพ ถ้ามทุกข์ก็เคารพความทุกข์อมทุกข์อยู่หน้าบูดน้าเบื้องข้าวก็กินมาได้นอนก็นอนไม่หลับเคารพความทุกข์ไม่เหมือนกันคนในโลกนี้แต่นอกก็ต้องเป็นหลงตาเนี่ยเคยมีความทุกข์เคยมีความโกรธยึดเอาไว้ถือเอาไว้ โอ้ยมาเห็นมามีสติเข้าไปโอโ้โทขยันเช็ดขยันถูความหลงขยันเช็ดขยันถูความทุกข์ความโกรธถูสะดกสนานมันชัดเกน็ดพมาได้หลักหลังพ่อเทียนสอนให้มีสติเนี่ยมันเห็นได้ไม่ลับไปลี มันโชว์โดยเฉพาะความทุกข์นี่โชมากคือสุดอันความรักก็ลังรับไปอันทุกข์เพราะความรักน่ะโชที่สุดก็ตื่นเรือล้นเมื่อเห็นความโกรธมันยังหยาบเอาเห็นความคิดมันก็เข้ามาอีกมันละเอียดเข้ามาแต่มันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจนี่นี่ขยันตรงนี้ ไม่ได้หลงไปก็มันมันก็มีอยู่ความคิดหรอเดินจะกรมอยู่ดีมันคิดไปโน่นเอา้ายิม้มชื่นใจเห็นมันหลงขณะที่เดินจงกรมระหว่างรู้ระหว่างหลงเนี่ยมันชัดเจนมันเห็นชัดเจนมันก็ข ย, ยันตรงนี้มันหลงหลายอย่างนะหลงเนี่ย มงเ็นอนก็หลงเวทนาก็หลงตกทุกข์ก็หลงไม่ได้คิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาก็มีไม่หลงเพราะความคิดมันหลงเพราะเหตุบางทีกายมันก็หลงนึกเอาความกายันเป็นตัวป็ตนซ่อนเข้าไปหลงตรงไหนวะ เอาจริงๆริงเนอะปฏิบัติธรรม น, นีมีอะไรมากไหมไม่มากมีอะไรไม่มากมีภาวะที่หลงมีภาวะที่รู้สองอย่างเท่านี้นง่ายง่ายความหลงจะมาโลภได้มีความรู้วันเดียวชัดเจนที่สุดเลยใช่ได้ความรู้เนี่ย ไม่ต้องไปขอใครไปขอใครหรือความรู้เน่ยไปถามใครไหมไม่ไม่ต้องถามใครในตัวมันเองมันหลองก็บรู้ในตัวมัเองนี่ยากอะไร น, ะนันก็ขยันตรงนี้นะเอาแปลมามันชะลกให้เรามีภาวะที่หลงมีภาวะที่รู้ ก็ปล่อยดูอย่างเดียวไปอ่ามันหลงหยาบหยาบหลงปานกลางหลงละเอียดละเอียดอย่างสังโยชน์สังโยชน์สัสกกายทิฏฐินี่ก็หยาบหยาบยึดมัน่นถือมัน่นในกาย เอากายม่เป็นตัวเป็นตนใจก็มีกายหลงที่นี่วะสังโยชน์กายสักกายาทิฏฐิเห็นผิดสัมมาทิฏฐิเห็นถูก ล, ล, ล, ล, ลุงอรุณรอานี้ตีห้าสิบแลยทีกำลังองไทานอนแสงเงินแสงทองสัมสัมมาทิฏฐิสักกายาทิฏฐิ มันเปลี่ยนตรงไหนอันมืดมันก็มีสว่างมีกลางคืนก็มีกลางวันนี่มันมันมีอยู่นะคู่คู่กันอยู่มีการเกิดก็ไม่มีการเกิดมีการแก่ก็ไม่มีการแก่มีการเจ็บก็ไม่มีการเจ็บมีการตายก็ไม่มีการตายมันเป็นคู่กันอยู่เมื่อเรามันหลงก็เป็นรูปเป็คู่กันน้ามือหลังมือเนี่ยอย่างนี้อะ ได้เย็นไหมหรือมีแต่พากันนั่งง่วเหงาหอนอนจบเท่านี่้นะ